งานแรกเลยนะจะปฏิบัติธรรมต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนสิ่งที่ขวางกัน้นการเจริญปัญญาไว้คือโมหะโมหะกับปัญญานะเป็นสิ่งตรงข้ามกันโมหะความไม่รู้เนะื้อรู้ตัวความหลงความฟุ้งซ่านนี่เป็นศัตรูของการเจริญปัญญา สิ่งที่เรียกว่าการเจริญปัญญาเนี่ยขั้นสูงที่เรื่องวิปัสสนาปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราหเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี้นี่จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้จิตใจต้องไม่หลงถ้าเราหลงอยู่เราก็เดินปัญญาไม่ได้กลับข้างกันปัญญานะี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะไม่มีโมหะ ถ้ามีโมหะก็ไม่มีปัญญางั้นเราต้องมากระทอบเปลือกของโมหะทิ้งออกไปให้ได้โมหะเป็นกิเลสที่ประนีตดูยากครอบงำจิตใจของพวกเราทุกๆคนอยู่บางทีไม่มีราคะไม่มีโทสะในจิตมันมีโมหะก็ไม่สามารถเจริญปัญญา การจะกระทบเปลือกของโมหะให้ออกไปนะจากใจเราเพื่มาฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงผู้ฟุ้งซ่านผู้ลังเลสงสัยฟุ้งซ่านมากก็สงสัยมากคิดมากก็สงสัยมากงานแรกของเราเลยนะต้องพยายามมาฝึกใจให้ตื่น หลุดออกจากโลกของโมหะโมหะนั้นครอบครองจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้พาเวียนไปต า, ตาเกิดไม่รู้จักจบจั ก, จกสิ้นหัวหน้าโมหะชื่อว่าอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี 4. นี่เป็นโมหะตัวใหญ่ที่สุดยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเอาชนะตัวอวิชชาได้เงินในสัตว์โลกมากมายนะที่ จะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆนะ้องนทำลายอวิชชาจะมีจำนวนน้อยจะต้องอาศัยการฝึกอบรมจิตใจกันนานเตั้งตั้งใจจริงจังแต่ถ้าเรายังไม่ได้คิดว่าชาตินี้จะต้องบรรลุพระอรหันตนะ์ลดระดับลงมาชาตินี้เอาโสดาสกทาคาอะไรอันนี้จะไม่ยากเกินเราก็ละความลงผิดที่ตื้นๆหน่อย แม่ละเอียดลึกซึ้งขนาดมุหะความลงผิดชั้นตื้นตื้นคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนตัวเรามีจริงๆกายนี้ใจนี้คือตัวเรานีถ้าเราละความเห็นผิดได้ตัวเราไม่มีหรอกร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจในขันหานี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยลัางวิชาทิฏฐิเบื้องต้นนี้ไปได้ก็เป็นพระโสดาบัน ในอนาคตมีความแน่นอนว่าวันหนึ่งจะต้องทำลายอวิชชาได้คล้าย่าแม่ทับหน้ามันได้นะทาลายกองทับหน้ามันนี่จะทาลายโมห oh ะความไม่รู้เนี่ยก็ทำลายด้วยความรู้ถ้าความรู้สุดขีดเรื่องว่ามีวิชารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี กาทำลายความไม่รู้คืออวิชชาไปความรู้เบื้องต้นทำลายความเห็นผิดความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มต น, นนี่พวกเราตั้งเป้ามาตรงนี้ก่อนยังไม่ตั้งเป้าไปทำลายอาวิชชาถ้าตอนนี้คิดจะไปสู้กับอวิชชานะเหมือนชกมวยข้ามรุ่นเพิ่งหัดชกมวยไม่กี่วันจะไปชิงแชมป์โลกแล้วเร็วไปสู้ไม่ไหวหรอกเรามาชก กับคู่ชกที่พมอพอกวนอยู่คือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆถ้าทําลายความเห็นผิดว่าตัวเรามีจริงๆได้นะทำลายสักยติทิฐิได้นะวันหนึ่งเราจะเข้มแข็งขึ้นพัฒนาขึ้นจนทําลายอาวิชชาได้คนไหนทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแน่นอนนะแน่นอนเลยว่าจะทําลายอาวิชชาได้ คมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนะในเบื้องต้นเนี่ยในเบื้องปลายมันจะไปเห็นว่าสิ่งที่มีนะั่นคือตัวทุก์จะเห็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกขแจ่มแจ้งกละสมุทยัยละความอยากเห็นแจ้งนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากแจ้งนิโรธเกิอดอริยมรรคเป็นอรหัตมรรคกันนั้นงั้นจุดแรกเลยที่พวกเราต้องมาเรียนรู้นะ มาดูของจริงตัวเรามีจริงหรือเปล่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยรูปธรรมประกอบด้วยนามธรรมรูปธรรมเป็นร่างกายเหล่นี้นามธรรมเป็นส่วนของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแล้วส่วนของความรับรู้รูปธรรมก็ประกอบกันมาจากธาตุสีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาประกอบเป็นรูปธรรมตั้งอยู่ในสเปซ เรียกว่าอากาศสาธาติอากาศไม่ใช่แอ่นะอากาศสาธาตเนี่ยคือสเปซ ช, ช่องว่างช่องว่างที่ธาตุดินน้ำไฟลมมาตั้งอยู่นี่เป็นส่วนของรูปธรรมส่วนของนามธรรมที่เรียกว่าความรู้สึกนึกคิดและความรับรู้ความรู้สึกคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาความนึกความจำนะเรียกว่าสัญญา ความคิดคิดดีคิดชั่วปรุงดีปรุงชั่วเป็นสังขารความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาใจเรียกว่าวิญญาณเนี่สิ่งที่คน ท, ทั่วไปเห็นว่าคือตัวเราตัวเรานะถ้าแยกส่วนออกไปคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมแยกออกไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมสีอันนะตั้งอยู่ในช่องว่าง นมามธรรมก็แยกได้สี่อันคือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นี่อันหนึ่งสัญญาความจําได้ความหมายรู้อันหนึ่งสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ช่วยอีกอันหนึ่งวิญญาณคือจิตนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็คือจิตเป็นจิตที่ออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าคือตัวเราตัวเรานี่แหละแท้จริงก็คือรูปธรรมนามธรรม เราจะมาเรียนจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกท่าดินไม่ใช่ตัวเราท่านน้าไม่ใช่ตัวเราใครจะเห็นดินเป็นตัวเราเป็นไปไม่ได้ใครจะเห็นน้ำเป็นตัวเราเป็นไปไม่ได้ท่าลมไม่ใช่เราท่าไฟไม่ใช่เราช่องว่างก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราจะเป็นสิ่งที่จิตมันไปรู้ไปเห็นเข้าเท่านั้นเอง ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบ้างในจิตใจบ้างความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราบางทีก็จาได้บางทีก็จาไม่ได้สั่งไม่ได้ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะก็ไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้เราว่าจะไม่โกรธมันก็โกรธนะเราว่าจะมีศรัทธามั่นคงมีวิริยะจะขยันภาวนาทุกวันขยันด้วันสบายขี้เกียจนะวิริยะก็ หายไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเราจะมาเรียนนะให้เห็นเลว่าส่วนของร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกส่วนของนามธรรมนะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้จําได้มันก็จําไม่ได้บางที แลตัวจิตเองตัววิญญาณกนะ็ไม่ใช่เราอีกเพราเราสั่งมันไม่ได้ใครว่าเราสั่งจิตตัวเองได้นะั้นก็เข้าใจผิดนะอย่างจิตมันทําหน้าทีอนะ่ออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไปรู้อารมณ์ทางตาเราก็สั่งไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้มันจะรู้อารมณ์ทางหูเราก็เลือกไม่ได้มันจะรู้อารมณ์ทางใจเราก็เลือกไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราเลือกได้เลย ทดลองดูว่าจริงไหมเราสั่งจิตไม่ได้ต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดเน่าเริ่มคิดไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ดูพระพุทธรูปให้ดูอย่างเดียวนะห้ามคิดคิดไหม ห้ามไม่ได้เนี่ยความจริงนะความจริงซึ่งมันอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เราก็สั่งไม่ได้เอาจงสั่งสิให้จิตใจมีความสุขสั่งเลยสังเกตไหมพอสั่งให้มีความสุขมันเฉย อ้าวกำลังมีความสุขอยู่ฟังเทศอยู่มีความสุขนะเอาสั่งให้สุขนานๆมันกลายเป็นเฉยไปเลยเราดูสังเกตใจเลยดูไปดูไปแล้วมันเฉยมันไม่สุขหรอกสังเกตไหมใจเราสนใจพระเดินเข้ามาแทนที่จะสนใจฟังธรรมะทำไมหนีไปสนใจทางนั้นสั่งได้ไหมห้ามได้ไหม ห้ามไม่ได้เนี่ยคือความจริงทั้งหลายที่เราจะเรียนนะเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมมันไม่ใช่เราความจริงของนามธรรมาไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวเลยเรียนเจอกระทั้งวันหนึ่งจิตมันแจ่มแจ้งนะตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี ม, ม, มีแต่รูปธรรมนามธรรมาซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่ทำยังไงเราจะเห็นบ่อยๆนจริงเห็นนะมันไม่ยากหรอกที่หลวงพ่อพาดูพวกเราก็เห็นน อย่างพระบอกว่าอย่าคิดนะจิตก็คิดให้ดูไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นแต่เราล้าเลยที่จะเห็นไม่ยากที่จะรู้นะแต่เราล้าเลยที่จะรู้รู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายนั่งร่างกายนั่งอยู่แล้วรู้สึกไห้ร่างกายหายใจรู้สึกไมมร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมร่างกายหายใจเข้าตั้งแต่มานั่งเนี่ยหายใจตลอดเลยใช่ม แต่หลวงพ่ อ, อยังไม่มาพวกเรามานั่งรออยู่นี่ก็หายใจตลอดเลยแต่เราละเลยเราลืมร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ลืมร่างกายที่กําลังนั่งอยู่ถ้าเราจะรู้สึกรู้สึกยากไหมเห็นไหมไอ้ตัวนี้นั่งอยู่มันจะยากอะไรไอ้ตัวนี้หายใจอยู่มันจะยากอะไรเพราะงันการปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกแต่เราละเลยถ้าเราละเลยเพราะว่าอะไรเราหลงผืนนมูหามลากเราไปเราฟุ้งซ่าน โมหะมันปิดบงังทําให้เราเจริญปัญญาไม่ได้นั่นลืมตัวเองนะมันฟุ้งซ่านไปนั่งก็นั่งคิดโน้นคิดนี้ไปเรื่อยนะคิดเกี่ยวทั่งจะมาเข้าคอร์สนะวันนี้จะมาเรียนอะไรอะไรต่ออะไรนะคิดล่วงหน้าไปนะทิ้งปัจจุบันบอกให้ก็ได้นะว่าเข้าคอร์สไม่มีอะไรหรอกเข้าคอร์สคือมาอยู่กับปัจจุบันนี้แหลนะมาดูกายดูใจที่กําลังแสดงบทบาทอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจกายกับใจอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะรูปนามเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเพราะในอดีตไม่มีแล้วรูปนามใ น, นอดีตดับ <yah bullshit. S 1> ไปหมดแล้วไม่มีให้เรียนรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าเราจะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายของใจต้องเรียนอยู่ในปัจจุบันแต่เวลาโมหะมาน้ําลากเราไปอดีตบ้างลากไปอนาคตบ้างมลืมตัวเองมานั่งอยู่เนี่ย ก็ไม่เห็นร่างกายมันนั่งใจไม่ได้ไปคนรู้ใจไม่รู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ใจหมดแต่รอยหนีไปที่อื่นมานั่งหายใจอยู่แท้ๆนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจมาตั้งแต่เกิดะใจมันหนีไปที่อื่นใจมันไม่รู้ว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่นีงั้นต่อไปนี้นะใส่ใจหน่อยใส่ใจสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ไม่ยากแต่ละเลยที่จะรู้ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโมดได้เพลินไปอยู่ที่อื่นลืมตัวเองถ้าเราไม่เพลินไปนะคอยรู้สึกไปคอยรู้สึกไปจะกินข้าวนะก็เห็นร่างกายมันกินข้าวนะมันไม่ใช่เรากินข้าวนะเวลากินข้าวร่างกายมันเคี้ยวอย่างตอนนี้มีคนเดินเข้ามาคนหนึ่งใจเราฉกไปหาเขาเลยรู้สึกไหมวุบไปเลยนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ใจมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของขิดมันสนใจ มีอารมณ์อะไรแปลกปลอมเข้ามามันสนใจมันจะสนใจทุกสิ่งเลยที่ไม่ใช่ตัวเองเห็นไหมคนเดินมาสนใจทันทีเลยนั่งอยู่ลืมการนั่งแล้วหายใจอยู่ลืมการหายใจลวะวดังนั้นการที่จะรู้จักรู้สึกตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากแต่มันล้าเลยเพราะมันสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาหลวงู่ดูได้ว่าจิตออกนอกจิม้มหนีตลอดเห็นไหมมีคนมาทางนี้ก็ฉกไปอีกแล้วรู้สึกอืม นี้บางคนเริ่มกลัวจิตจะชกไปฉกมาก็เริ่ม <c oughs> เริ่มเข้าไปแทรกแซงนะงั้นจิตหนีไปแล้วไม่รู้เนี่ยนะเรียกว่าย่อนเกินไปนะเป็นกาสุขาริการนุโยค ก, กลัวจิตจะหนีไปแล้วบังคับเอาไว้อึดอัดเลยนะเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานุโยคญสองสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไม่เอาเผลอไปก็ บ, บังคับไว้สองอันนี้เห็นไหมมีพระเดินมาอดฉกไม่ได้เห็นไหม จะฉลบแว บ, บแวบ บ, บบห้ามมันไม่ได้เอาห้ามคิดคิดไหมคิดห้ามมันไม่ได้เนดูของจริงนะไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้หลวงปูดูลนท่านสอนหลวงพ่อท่านบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติพวเราเลยไม่ค่อยปฏิบัติเราโมจะสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเรีกว่าสง่งจิยออกนอกมีร่างกายก็ลืมมัน ถ้าจะรู้สึกร่างกายก็รู้สึกได้ไม่ยากมีจิตใจก็ลืมมันนะถ้าจะรู้สึกมันมันก็รู้สึกไม่ยากขณะนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยดูออกไหมใครรู้สึกสุขบ้างยกมือซิมีไหมใครรู้สึกทุกข์ใครรู้สึกเฉยๆฉยใครไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ค่อยรู้หรอกอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองจะไม่รู้นะเราจะรู้เรื่องคนอื่นรู้สิ่งอื่นมากเลย ดาราคนไหนมีกิกเรารู้นะออรู้หมดเลยมันมีคนที่ห้าแล้วหนังคนนี้อะไรอย่างงี้นะรู้หมดใครเขาไปทำอะไรที่ไหนรู้หมดเลยแต่ใจของเราไปทำอะไรเราไม่เคยเห็นเลยใจขนาดนี้นะโลภอยู่รู้ไหมไม่รู้ขนาดนี้โกรธอยู่รู้ไหมไม่รู้ขนาดนี้ฟุ้งซ่านรู้ไหมไม่รู้ขนาดนี้หดหู่รู้ไหมไม่รู้นะถ้าจะรู้จะรู้ยากไหมไม่ยากนี่บางคนนะได้ยิน คำว่าดูจิตดูจิตนี่จะดูยังไงดูยังไงมันดูไม่ยากหรอกถ้าใส่ใจก็ค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะเวลาตั้งใจรู้มากๆ ม, ม, มันจะแน่นๆรู้สึกไหมจะเริ่มอืดอัถ้าอืดอัแม้แต่นิดเดียวนะสวนแสดงว่าสุดโตงไปข้างอัตตะกิลมัฐานุโยกล้ข้างบังคับตัวเองถ้าลืมตัวเองก็ตกสุดโตงไปข้างกามสุ ข, ขาริการโยกนะอืดอัดไหตอนนี้ จำนวนมากในห้องนี้อึดัดละเพราะอะไรเพราะพยายามจะดูพยายามจะดูเป็นคําพูดไเระนะ่ะมีความว่าพยายามที่จริงโลภโลภจะดูอยากจะดูก็ไปจ้องเอาไว้น้ําก็อย่อึดัดลืมการปฏิบัติไปก่อนลืมการปฏิบัติไปยิ้มหวานหวานยิ้มอย่างสดชื่นบางคนนี้ยิ้มเหมือนเจ้าหนี้มหารู้สึกไหมใจมันคลายออก ใช้ใจที่คลายแล้วเนี่ยนะมารู้สึกกายมารู้สึกใจใช้ใจที่ผ่อนคลายนี่เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราใช้ใจที่ธรรมดาผ่อนคลายนี้มีใจที่ผ่อนคลายแล้วก็จะดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกทั้งหลายไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจะเห็นเลยไม่มีอะไรที่บังคับได้ จิตมันทํางานได้เองมันปรุงสุข<ม>ปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วมันปรุงเองกระทั่งความจําความจําบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ <c oughs> เป็นไหมเคยเป็นไหมบางทีเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บนึกชื่อได้เลยนึกได้ถึงบันพบุรุษเลยนะแฟบเดียวเผลอไปแนะ้วลืมไปแล้วไอ้นี่มันชื่ออะไรก็ไม่รู้หน้าตากวนๆอย่างเนี้ยนึกไม่ออกคลาบคลาคลาบคลาเคยเป็นไหมบางทีก็นึกออกบางทีก็นึกไม่ออก มันสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้บางคนก็งงว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรว่ามอคอยถามอยู่เรื่อยที่ถามถามอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะกำลังสอนจะมาฐานชั้นเลิศให้นะสอนให้หัดดูสภาวะของตัวเองรู้ไหมใจมันหนีไปคิดเนี่ยก็หัดรู้สภาวะที่ใจมันหนีไป รู้ไหมมันสุขรู้ไหมมันทุกข์รู้ไหมมันเฉยรู้ไหมมันดีรู้ไหมมันร้ายรู้ไหมมันเบารู้ไหมมันแน่นพอถามแล้วก็ตอบได้ทุกคนนะใช่ไหมถามว่าตอนนี้สบายใจหรือไม่สบายใจกนะ็ตอบได้นะสุขทุกตอบได้โกรธขึ้นมานะโกรธขึ้นมารู้ไหมว่าโกรธอย่างเงี้ยมันก็ตอบได้นะเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อถามถามนะเป็นการฝึกให้พวกเราหัดดูสภาวะนะั่นแหละ ถ้าเราดูสภาวะเป็นนะสภาวะนั่นแหละจะสอนธรรมะเราอย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานเราแทนเราไม่ได้หรอกนะสอนวิธีให้ได้แต่เราต้องไปดูเอาเองแล้วรูปธรรมนามธรรมนี่แหละจะสอนธรรมะเราครูที่แท้จริงของเรานั่นคือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบมาเป็นตัวเราเนี่ยมันจะสอนธรรมะเราคนอื่นสอนแต่วิธีการกระทั่งพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีการให้เรา เรารู้วิธีนะเราก็มาดูกายมาดูใจดูกายเป็นดูใจเป็นก็จะเห็นความจริงของกายของใจใกายกับใจรูปธรรมนามธรรมนี่แหละจะสอนให้เราเข้าใจความจริงความจริงนั่นแหละคือธรรมะนะงนั้นเราต้องรู้สึกตัวเป็นนะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันทํางานจะดูมันก็ไม่ยากหรอกจะรู้มันก็ไม่ยากหรอกนะมันยากที่ละเลยไม่สนใจจะรู้สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลา เนี่ยเสียดายไม่มีใครเขาเดินมานถ้ามีคนเดินมาเราจะเห็นอีกจิตนี้อีกทั้งๆที่คิดว่าจะไม่หนีนะจะไม่ให้มันหนีไปใครใจลอยแล้วบ้างที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะจะให้หัดรู้ว่าใจลอยเป็นยังไงต่อไปใจลอยก็จะรู้ทันขึ้นมาเพราะมันเคยเห็นแล้วว่าใจลอยเป็นอย่างนี้อย่างนีไปอย่างนี้ ถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ล่ะเนี่ยถ้าเขหัดดูความสุขความทุกข์นะถามว่าสบายใจหรือไม่สบายใจพอใจไหมหรือไม่พอใจนะมีราคาหรือเปล่ามีโทสะหรือเปล่านี่หัดดูสภาวะนะและสภาวะจะสอนธรรมะเรามันจะสอนว่าอะไระสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างถูกบีบคั้นให้สลายตัวทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับ ฟังเสียงระฆังซิเฟ้อหรือไม่เฟาะสังเกตไหมตอนเราได้ยินเสียงระฆังเนี่ยจิตเราโฉบไปที่ระฆั ง, งรู้สึกไหมยึดไป medium. นะแล้วใครรู้สึกพอได้ยินแล้วมันไหวเครื่องกลางหน้าอากบ้างมีไหมใครเห็นมันไหวบ้างเ น, นี่ยมันไหวเองน ะ, นะ ตามมองเห็นจิตเที่ยวไหวนะหูได้ยินเสียงก็ไหวนะแต่ไอ้ที่ไหวๆจริงๆไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้ว่าไหวไอ้ที่ไหวๆเนี่ยสังขารมันปลุงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นเองทั้งสิ้นเลยตามองเห็นนะสังขารก็ปลุงไหวขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็ไหวขึ้นมาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ทอบสัมผัสก็ไหวขึ้นมาใจคิดจิตก็ไหวนะมันก็ไหวขึ้นมาสังขารนั้มันไหวมันไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นแบบคนไปเห็นมันเข้า ฟังเสียงไก่ได้ยินไหมไก่มันร้องว่าไงไก่แต่ละประเทศร้องไม่เหมือนกันมันแล้วแต่คนฟังถ้าหิวหิวก็จะได้ยินว่าต้มขาไหมครับนะเห็นไหมใจมันขำเห็นไหมต้มขาไหมครับเหนะมือนไม่กล้าร้องแล้ว เห็นไหมใจมีความสุขรู้สึกไหมมันเป็นเองรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูสภาวะนะแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราสอนว่าไงสอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยงนะความสุขเมื่อกี้เริ่มลดลงแล้วรู้สึกไหมมันเริ่มดับให้ดูแล้วนะเป็นเฉยเฉยเฉยเฉยดูไปเดี๋ยวก็ดับอีกกลาเป็นฟุง้งซ่านเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆยั้นทํากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกให้จิตนิ่ง แต่ให้เห็นว่าจิตมันไม่นิ่งนะไม่ได้ฝึกให้ร่างกายเรียบร้อยแต่ให้เห็นในร่างกายมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันตลอดเวลานี่พวกเราทํากรรมฐานนะเราคิดว่าต้องต้องเรียบร้อยต้องอย่างโ น, น้นต้องอย่างนี้นะบางที่ทํากรรมฐานโอ้โเรื่องมากนะพิธีกรรมยาวมากเลยเคยเห็นมาก่อนหลวงพ่อตะเวนไปเยอะดูที่โน้นที่นี่บางที่กว่าจะทํากรรมฐานนะมีสวดมนต์ทำวัดก่อน ทำวัดจบนะั้งอาราธนากรรมฐานอาราธนาปีติเวลาราธนาอยู่นั้นนั้น อ, ะอ่ะหมดเวลาแล้วเชิญกลับบ้านเขยังไม่ได้ทํากรรมฐานเลยนะขั้นตอนมากถึทั้งไม่ได้ทํากรรมฐานเลยเห็นไหมใจขาเห็นไหมใจเราเป็นยังไงเนี่ยเรียกรรมฐานนะบางคนสงสัยหลวงพ่อสอนอะไรวจะสอนให้หัดดูสภาวะแล้วสภาวะจะสอนเราว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป มีสิ่งเร้านิดเดียวนะเราาด้วยเสียงใจก็แกวงไหมเร่าด้วยรูปที่มองเห็นใจก็แกล้งอย่างเวลารถชนกันเนี้ยสนใจอยากดูไหมอยากดูทุกคนนะแต่บางคนไม่ดูเพราะกลัวมีไหมกลัวเจอเลเทใช่ไหมนี่บางคนมันมีบุญนะมันจะไม่เห็นภาพที่ไม่ดีบางคนอกุศลให้ผลจะเห็นภาพภาพไม่ดีถ้า อากุศลไม่ให้ผลนะมองไปยังไงก็ไม่เจออย่างบางคนเห็นรถชนกัน น, นี่เบือนหน้ามาอีกฝั่งหนึ่งกลัวเจอศพเปล่าเขายกศพมาทางนี้เรียบร้อยแล้วน <c oughs> อากุศลมันจะให้ผลมันต้องเห็นอีกนะแค่รถชนกันใจเราอยากดูใช่ไก็รู้ว่าอยากกลัวว่าจะไปเห็นศพเลเทะรู้ว่ากลัวหันมาทางนี้เจอเขาจริงตกใจ สังเกตไหมหันไปเจอครั้งแรกไม่ได้กลัวนะแต่ตกใจก่อนแล้วค่อยกลัวทีหลังแล้วค่อยฝังติดตาติดใจไปกลัวกลางคืนเอาไปฝันต่อนแม้มันหลายจังหวะนะใจนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยหันไปเจอทีแรกตกใจยังไม่กลัวนะพอใจมันแฟลออกมาว่านี่ศพลนะมันกลัวกลัวแล้วก็กลัวล่วงหน้าไปถึงอนาคตด้วยคืนนี้มันจะตามเราไปไหมเนี่ยผีจะตามกลับบ้าน ใครเคยเจอศพข้างถนนบ้างมีไหมแล้วรู้สึกไหมมันจะตามเราไปบ้างมันจะตามเราทำไมเราไม่ใช่พวกมั น, นไม่ใช่ญาติโกติกามันไม่ตามหรอกฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมฟุ้งซ่านหมายถึงอะไรคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นฟุ้งซ่านนะเพราะฟุ้งไปที่อื่นซ่านไปที่อื่นลืมตัวเองฟุ้งซ่านนี่แหละคือโมหะ เป็นหนในโมหนะความฟุ้งซ่านเนี่หัดดูสิความเปลี่ยนแปลงนะแล้วใจเราจะเปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อตาเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสแล้วเห็นใจมันเปลี่ยนหรือใจเราคิดแจมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะงั้นคนบางคนบอกดูจิตดูจิตเราไปจ้องอยู่ที่จิตนะอันนั้นไม่เดินมีปัสสนาหรอก การดูจิตให้เป็นวิปัสสนานะีก็คือการเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจของตัวเองเห็นความรู้สึกนึกคิดมันเปลี่ยนแปลงที่ฟังหลวงพ่อเทศมาแล้วหลวงพ่อพาดูสภาวะมาเรารู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาที่จริงเปลี่ยนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราพลาเลยเราไม่เคยเห็นต่อไปนี้เห็นบ่อยๆอไปกินข้าวไปแล้วก็ค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองนะมันรู้ไม่ยากหรอก หรือถ้าดูความรู้สึกไม่ออกก็เห็นร่างกายร่างกายเข้าแถวร่างกายกินอาหารร่างกายไปขับถ่ายร่างกายล้างไม้ล้างมืออะไรอย่างนี้นะดูเห็นมันทํางานเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานไปหันหนะ้าไปหันคนระับนี่หมดเลยครับ